แนะนำบทกอฟิดบทกอฟิดเป็นบทมัทธิยามีแปดสิบห้าองค์การบทนี้เริ่มด้วยการสรุบีคุณลักษณะอันดีงามของอัลลอฮ์และสัญญาณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์และได้เผยหเห็นถึงการโต้เถียงของพวกปฏิเสธศรัทธาต่อสัญญาณต่างๆของอัลลอฮ์ทั้งๆที่ศัจธรรมนั้นได้ปรากฏอย่างชัดแจ้งแก่พวกเขาแล้วคณะนั้นก็ดีนักโต้เถียง และบรรดาผู้ยะโสก็ยังโต้เถียงและแสดงอาการยิ่งยะโสอยู่บทได้เผยเห็นถึงจุดจบของประชาชาติในอดีตซึ่งอลัลลอฮ์ได้ทำลายล้างพวกเขาด้วยเดชานุภาพของพระองค์โดยไม่มีมนุษย์คนใดรอดท้นไปได้ท่ามกลางบรรยากาศที่น่ากลัวนี้พระได้กล่าวถึงภาพลับของมาลิกะ ผู้แบกบรลลังในการวงอนขอของพวกเขาแก่ผู้ที่ยังเกรงและกลับเนื้อลกลับตัวบทตรได้กล่าวถึงภาพลักษณ์แห่งวันอาคิร์ร์และความน่ากลัวของวันนั้นโดยที่พวงบ่าวจะถูกมายืนต่อหน้าพระผู้ทรงอานาจเพื่อการสอบสวนความหวาดกลัวและความสะทุกสะท้านได้ปกคลุมพวกเขา เสมือนกับว่าวัชใจมาจุกอยู่ที่คอหอยหรือเป็นลมหมดสติไปและในท้ำกลางสภาพอ น, นากลัวและโกลาหลเช่นนั้นมนุษย์จะรับการตอบแทนอย่างยุติธรรมหากทําดีก็จะได้ดีหากทําชั่วก็จะได้ชัว่วและบทได้กล่าวถึง เ, เรื่องการอ ي ่า ن ศรัทธาและการละเมิดคือในการที่ดบีมูซาอะไลาฮิสลาม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 ลลคำพินิได้ถูกประทานลงมาจากอลัลลอห์ผู้ทรงเดชานุภาพาผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงอาภัยในความผิด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 นอกจากบรรดาผู icate, bi, ้ปฏิเสธศรัทธาดังนั้นอย่าได้การวางมากของพวกเขาในหัวเมืองต่างๆเป็นที่หลอกลวงแก่เจ้าได้ เพราะกอ่อนหน้าพวกเขานั้นกลุ่มชนของนัวและพลพรรคต่างๆหลังจากพวกเขาได้ปฏิเสธไปก่อนแล้วและทุกๆประชาชาติได้ตั้งใจเพื่อจะทําลายล้างรอศูนของพวกเขาและโต้เถียงด้วยความเพี้เพื่อลบล้างความจริงให้สูญสิ้นไป ดังนั้นข้าจึงได้เอาโทษพวกเขาแล้วเป็นอย่างไรบ้างการลงโทษของข้าและเชนนั้นแหละประกาศสิบแห่งพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าได้สมจริงแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาว่าพวกเขาเป็นชาณารกแน่ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسع ت كل شيء ض ح ف ت و ع ل م ا บรรดาผู้แบกบอลลังและผู้ที่อยู่รอบๆบบลลังต่างก็แท่ซ้องด้วยการสรลุดีสรรเสริญพระผู้อภิบาลของพวกเขาและศรัทธาต่อพระอและขอพยโธษให้แก่บรรดาผูา้ศรัทธาโอ้พระผู้อภิบาลของเรา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 เมื่อพวกเจ้าถูกเรียกร้องสู่การศรัทธาและพวกเจ้ากรอบปฏิเสธศรัทธาพวกเขากล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราพระองค์ท่านทรงทาให้เราตายสองครั้ง และทรงทำให้เรามีชีวิตสองครั้งดังนั้นเราจะขอสนภาพต่อความผิดทั้งหลายของเราและจะมีทางขอแก่เราบ้างไหมนั่นก็เพราะว่าแท้จริงเมื่ออัลลอ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 พระองค์นั้นจะทรงแสดงให้เห็นถึงสัญญาณทั้งหลายของพระองค์แก่พวกเจ้าและได้ทรงประทานปัจจัยอย่างชีพลงมาจากฟ้าฟ้ า, กากแก่พวกเจ้าและจะไม่มีใครนึกขึ้นได้นอกจากผู้ที่สำนึกผิดเท่านั้นดังนั้นการวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์โดยเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจต่อศาสนาของพระองค์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 จากพวงเบาวของประองเพื่อเตือนให้ระลึกถึงวันแห่งการพบปรากกันนั่นก็คือวันเกียรมาวันที่พวกเขาจะถูกปรากฏออกมา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 พวกมันไม่อาจจะตัดสินใดๆได้แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็น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 แล้วล้อส่งลงโทษพวกเขาเนึ่งด้วยความผิดของพวกเขาและไม่มีผู้ใดจะช่วยปกป้องพวกเขาให้รอดพ้นจาก Allah ไปได้นั่นก็เพราะว่า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 ครั้นเมื่อมูสาได้นำศธรรมจากเรามายัางพวกเขาแต่พวกเขาก็กล่าวว่าจงค่าลูกชายของบรรดานผู้สธารุ่นกับเขา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 ฉันจะฆ่ามูซาและให้เขาวิงวอนขอต่อพระเจ้าของเขาเถิดแทจิฉันกลัวว่าเขาจะมาเปลี่ยนาศาสนาของพวกเจ้าหรือจะก่อการร้ายใหเกิดขึ้นในแผ่นดินวกาลมูซาอินีอุดตุบรับบิวรับบิบบบคุมมินคุอลิมุตคับริรลายุมินบิยุมิลฮิซาบ และมูสากล่าวว่าแท้จริงฉันขอความกุ้มครองต่อพระเจ้าของฉันและพระเจ้าของพูดเจ้าอายกวนจากผู้หญิงยะโสวทุกคนที่ไม่สถาต่อวันแห่งการชำระสอบสวนว่าาลรจลมม ؤمن มินมินอาลิฟิสหาวนยักษมอีมาลหูอาจกตลูนรจุลันแอนยะคูลรบียัลล้า أتقون َ رجلا َ أ َ ه يقول ُ ربي َ الله وقد ََ ج َ ا ء ك ُ م بالبينات َِ م ض ب ّ ك ُ م ْ و َ إ ي َ ك ك ا ب ً ا فعليه َ كذبه ُ و َ إ ي َ ك صادقا ِ يصب بعض ُ الذي ي ع ُ ك ُ م إن الله َ لا يهدي َ من هو مسرق ُ كذاب َ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 และหากว่าเขาเป็นคนพูดจริงส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เขาได้สัญญาไว้กับพวกเจ้าเกประสบแก่พวกเจ้าถ้าจริงอัลลอฮจะไม่ทรงชี้ทางนำแก่ผู้ที่ละเมิดเป็นนักโกหกตัวชะกาดิรอมมยาา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 ฉันกลัวแทนพวกเจ้าเยี่ยงวันแห่งการลงโทษของกลุ่มชนต่งตางๆในอนนะ ด, ะนดีตเยี่ยงกับเคราะกรรมของกลุ่มชนนัวอาและสมุรและกลบม่มชนหลังจากพวกเขาและลอนนั้นไม่ทรงประสงค์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 ไม่มีผู้ใดจะช่วยปกป้องพวกเจ้าให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ได้และผู้ใดที่อลัลลอฮ์ทรงให้เขาหลงทางแล้วก็จะไม่มีผู้ชี้แนะทางให้แก่เขา ا إ ل ل และโดยแน่นอนแต่ก่อนนี้ยูซุฟนบียูซุฟได้มาอย่างพวกเจ้าพร้มมอมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้ง แต่พวกเจ้าก็ยังคงอยู่ในการสงสัยต่อสิ่งที่เขาได้นํามาอย่างพวกเจ้าจนกระทั่งเมื่อเขาได้ตายไปแล้วพวกเจ้าก็จะกล่าวว่าอัลลอฮ์จะไม่ทรงแต่งตัง้งศาสนทูตคนใดอีกแล้วหลังจากเขาเช่นนั้นแหละอัลลอฮ์จะทรงให้ผู้ที่ฝ่าฝืนสงสัยหลงทาง <S <S บรบ Allah, บรดาผู้โตเถียงต่อองค์การต่างๆขออัลลอฮ์โดยไม่มีหลักฐานใดๆมายัางพวกเขาเป็นที่น่าเกลียดชังยิ่งนะที่อัลลอฮ์และหน้าที่บรรดาผู้ศรัทธา เช่นนั้นแหละอัลลอฮ์ะจะทรงประทับหัวใจของผู้จงหองหิิงยะโสทุกคนและฟิร์าวกล่าวว่าโอฮามาเอ๋ยจงสร้างหอสูงให้ฉันเพื่อฉันจะได้บรรลุถึงทางที่ฉันจะขึ้นไป บาบาาต า, า, า, านที่จะขึ้นไปสู่บรรดาชั้นฟ้าเพื่อฉันจะได้เห็นพระเจ้าของมูส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 ผู้ใดที่กระทำความชั่วเขาจะไม่ได้รับการตอบแทน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 และตั้งภาคีต่อพระอโดยที่ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยในเรื่องนั้นและฉันได้เชิญชวนพวกเจ้าไปสู่ผู้ทรงอำนาจผู้ทรงอภัยเสมอละ جرم أنما تدعوني إليه ليس ุน دعوة في ا ل د ن า ا ิ ل ا า ي الآخرة وأنما رزقنا إلى ล ل ل ه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 ท่นา الله. الله น, นนั้นพวกเจ้าจะต้องรำลึกถึงสิ่งที่ฉันได้กล่าวแก่พวกเจ้าและฉันขอมอบภารกิจของฉันแด่เอวโรแท้จริง อล l a h สงเป็นผู้เฝ้าดูปวงบาป Allah ส่งร่มครองเขาให้พ้นจากความชั่วทั้งหลายที่พวกเขาวางแผนไว้ และการลงทวดที่ชั่วช้าก็จะห้อมล้อมบริเวณของฟิรอาวเอาไปไฟนรกนั้นจะถูกนำมาให้พวกเขาเห็นทั้งในยามเช้าและยามเย็น และในวันเสียมานั้นจะมีเสียงกล่าวว่าจงให้บริวารของฟิรเอาลเข้าไปรับการลงโทษที่สาหัสยิ่งขึน้น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 บรรดาหัวหน้ากล่าวว่าแท้จริงเราทั้งหมดอยู่ในนรุกถ้าจริงอัลลอได้ทรงตัดสินระหว่างพวงเบาแล้วอย่างแน่นอน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 พวกเขากล่าวว่าบรรดาหรอดสูญของพวกเจ้าไม่ได้มาอย่างพวกเจ้าพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งดอกขลุ่พวกเขากล่าวว่ามีครับ เขาทั้งหลายกล่าวว่าพวกเจ้าจงวิงวอนขอเองสิแต่การวิงวอนขอของพวกปฏิเสธศรัตนั้นไม่ใช่อื่นใดนอกจากอยู่ในการหลงอมทาด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 และสำหรับพวกเขาจะได้รับการสาบแช่งและสำหรับพวกเขาจะมีที่พำนักอันเลววายและโดยแน่นอนเราได้ประธานทางนำแก่มูซาและเราได้คำพีเป็นมรดกแก่วงวานอิสราเอและโดยแน่นอนเราได้ประานทางนแก่มูซาและเราได้คีเป็นมรดกแก่วงวานอิสรอล ลลบบเพื่อเป็นทางนำและข้อรำลึกแก่ผู้มีสติปัญญาทั้งหลายดังนั้นเจ้าจงอดทนเพราะแท้จริง สัญญาของอัลลอ์นั้นเป็นความจริงและจงขอพยโทษต่อความผิดของเจ้าและจงแท้สองสรุดีด้วยการสันเสริญพระผู้อภิบาลของเจ้าทั้งในยามเย็นและในยามเช้า。ออยบ ถ้าจริงบรรดาผู้โตเถียงเกี่ยวกับบรรดาองค์การของอัลลอฮ์โดยปราศจากหลักฐานมายังพวกเขานั้นไม่มีอะไรในสวงปกของพวกเขา นอกจากต้องการจะเป็นใหญ่ซึ่งพวกเขาจะไม่เป็นผู้บรร ล, ลุถึงมันได้แต่นั้นจงขอความพุ้มครองต่ออัลลอฮ์แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็น แ, أ أ แน่นอนการสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นยิ่งใหญ่กว่า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 และพระพย์วยบานของเจ้าตรัสว่าจงมิงวอนขอต่อข้าเถิดข้าจะตอบรับแต่พวกเจ้าส่วนบรรดาผู้ที่โอหังต่อการเคารพพรกดีแก่ข้านั้น จะเข้าไปอยู่ในนรกในสภาพอันต่ำต้อยอัลลฮ้ีจรามุลลุนฟีวะฮรัิรอนัลลอฮะลดฟลันัลนวลคินัรนนสลยชุ ora, ุน oh อ um, ัลลคือผู้ทรงบันดาลกลางคืนให้แก่พวกเจ้าเพื่อจะได้พักผ่อนในเวลาของมัน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 อ l l a h u l الذي جعل لكم الأرض ق ر ا, اء اء أ ر ه والسماء بناء ص و ك م تأحسن صوركم ورزقكم من الطيّدات ذاركم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين a l คือผู้ท่งทำให้แผ่นดินนี้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 การสรรเสริญน ah ั้นเป็นส de ิทธิ์ของอัลลอ์พระผู้อภิบาลแห่งสากลและโลกจงกล่าวเอิดมูฮัมมัด ว่าแท้จริงฉันถูกห้ามไม่ให้เคารพพักดีต่อบรรดาพวกที่ท่านวิงวอนขออื่นจากเออหรเมื่อหลักฐานทั้งหลายอันคัดแจ้งจากพระผู้อภิบาลของฉันได้มาอย่างขันแล้วแต่ฉันถูกบัญชาให้ลอบน้อมต่อพระผู้อภิบาลแห่งสากละละลก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 พ um รวงคือผู้ทรงสร้างพวกเจ้ามาจากดินแล้วจากเชื้ออาศุจิแล้วจากก้อนเลือดและสรงให้เจ้าพลอดออกมาเป็นธารุและพวกเจ้าจะได้บรรลุสู่ไวยชกันและพวกเจ้าจะได้เป็นคนชารา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 ีนกบิลตาาบบวมอรรดาผู้ปฏิเสธต่อคำพีและต่อสิ่งที่เราได้ส่งมาพร้อมกับบรรดารอดศูนของเราและพวกเขาก็จะได้รู้อิด ล, ล, ลันสบ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 แล้วในไฟนรกพวกเขาจะถูกเผาไหมา้แล้วจะมีเสียงกล่าวแต่พวกเขาว่าไหนเล่า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 ون, ون นั่นก็เพราะว่าพวกเจ้าหลงระเริงอยู่ในแผ่นดินโดยไม่เป็นธรรมและเพราะว่าพวกเจ้าอวดอดีโอ้ผู้ที่จะเข้าไปน่งั้นแะอาศัยอยู่ในนั้นานะดับผู้ที่มุขี จงเข้าไปในประตูทั้งหลายของนรกโดยเป็นผู้พำนักอยู่ตลอดกาลในนั้นฉะนั้นที่พำนักของพวกญิงผยองนั้นมันช่างชั่วชา้าจริงๆบบ น, นั้นเจ้าจงอดทน แท้จริงสัญญาของอัลลอ์นั้นเป็นความจริงบางืีเราจะให้เจ้าได้เห็นบางสิ่งที่เราได้สัญญาแก่พวกเขาหรือเราจะทำให้เจ้าตายเสียก่อนดังนั้นพวกเขาจะถูกนำกลับไปอย่างเรา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 ขนาด น, นั้นบรรดาผู้กล่าวเท็จก็จ ะ, ะขาดทุนอย่างย่อยยับอัลลอฮฺคือผูรร้ทรงทาปัสุสักบางชนิดเพื่อให้พวกเจ้าใช้เป็นพาหานะและบางชนิดเพื่อให้พวกเจ้าใช้บริโภค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 และมีพลังเข้มแข็งกว่าและได้ทิ้งร่องรอยไว้มากมายในผลิตดังนั้นสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้นั้นหาได้ดประโยชน์แก่พวกเขาไม่ดังนั้น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 อครั้นเมื่อพวกเขาได้เห็นการลงทวนอย่างรุนแรงของเราพวกเขาก็กล่าวว่าเราศรัทธาต่อล้ อ, อวมเดียวและเราปฏิเสธศรัทธาต่อสิ่งที่เราเคยตั้งพาขี่ต่อมาดบนา แต่การศัทธาของพวกเขาจะไม่อำหนยประโยชน์แก่พวกเขาเลยในเมื่อพวกเขาได้เห็นการลงโทษอย่างหนักของเรานี่คือแนวทางของอัลลอฮ์ที่ได้มีมาแต่ในอดีตต่อปวงเบาของกรุงและขณะนั้นบรรดาผู้ปฏิเสธศัทธาก็ได้ขาดทุนอย่างย่อยยับ